การขอการคณะกรรมาธิการหลวงพ่อเลคณะสงฆ์พระราชินิติเมตีย์การขอการหึวงพ่อพระมงคลธรรมรัตน์การขอการหลงพ่อพระพระแก่ขุบาาจาย์ทุกท่านแระก็เพื่อนริที่มาเรียน ประเด็เพีงหนึงพระเกี้หวกืออะไรรายได้เดิมทุกคนก็ได้มาด้วยกันในทังนี้เพื่อสแสดงให้เห็นถึงความจริงของชีวิตและมนุษย์รสัตวท้หลายซึ่งเมืเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครเื่อคนพความใจไม่มีใครเริ่อคนความเิดข้ได้โดย ไม่มีใครร่วมพ้นความตายไปได้สิ่งทั้งหลายก็เป็นพยานดีเรื่องหน้ากอนพวกเราทุกคนดีแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายในที่สิ่งความจริงนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมม า, า, า, าสัมพุทธเจ้าท่านทรงได้ชี้เห็นว่าคนทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมานั้นอย่ามองด้านเดียวอย่าคิดด้านเดียว เราคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีความสุขทั้งเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งเกิดจา ก, กลาภยศการเปิดยัอมีความสุขทเกิดจากรครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกินกวคนทั้งหลายเมื่อเถอญหาความสุขแต่เปลี่ยนภายนอกแต่เพี ย, ยนอ ย, อย่างเดียวแต่ความทุกข์ทั้งหลายซึ่งติดตามมาคือความเจ็บไข้ปวดและความแก่และความตายนั้นคนทั้งหลายไม่ได้นองในด้านเราเนี้ พยายามจะแสวงหาความสุขคันเป็นความสุขซึ่งไม่พป็นแค่ทวารควันเป็นความสุขซึ่งไม่ทีหลังดังดีนักตอบขึ้นหลาเป็กล่าวว่าชนขึ้นหลามีความเหลืองเพิ่มเงินอยู่กับลูกียงกี่ร้อยตำหนักว่าเป็นความสุขความสุขที่สูงที่สุดแต่ความจริงนั้นยังเีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบแต่การทำจิดให้สมงบนั้น ก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นดีคือการถักกิเลสแท้ชนิดยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางลงหน้าพลังความโศกที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นคนสำเด็จพระสมาสัุทเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสุขุยิ่งกว่าความสนุกไม่มีหมายถึงดวงใจซึ่งสมบัติกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคน โดยปกติแล้วถ้าเราหลงเทิเพลินอยู่กับวัตถุท่าทั้งหลายอยู่กับูเสียงสิ่งต่างๆเราทุกคนคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงนั้นความสุขทั้งหลายเป็นสุขคึ่งไม่ครึ่งแฉะถาวรเป็นความสุขจริงเล็กๆน้อยเท่านั้นเราเห็นได้ว่าเนี่ยบุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหมดลมแล้วร่างกายก็แตกสลาย เปท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าใจมีบ้านมีทัพย์สมบัติมีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องถึงตายในร่างกาวของตัวเองเขาก็ผ่าเป็นเท่าทุลีเพราะฉะนั้นมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุเจ้าท่านได้สอนต่ากัว่าบุคคนใดเมื่อทํากรรมดีก็ไม่ให้ผลที่ดีถ้าทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเวลาทุกคน ได้มีสติปัญญาที่จรณาถึงความจริงนี้แล้วเราก็เลือกล้าเว้นการกระทำในสิ่งที่ผิดกร ะ, ะทำทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คุณงามความดีเมื่อเรากระทำคุณงามความดีลงไปแล้วก็เกิดให้เกิดความสุขท่านในปีไปและวในในโคตรอันนี้ในวันนี้เราทุกคนมาประชุมกันเพื่อได้เห็นความจริงว่านี้ก่องคนเราทุกคนดูขอ้อนึงก็ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อถึง อายุแปดสิบกว่าปีเนี่ถึงตามเวลาก็ต้องแต่งสลายไป ต, ตามสะนาบ้านี่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเดือนเดือนอันเป็นความทุกข์ไม่ว่าเราจะเกิดกี่ภพกีชาติเร า, ก, า ก, ก, เ ก, รก็ต้องพบกับความทุกข์ทั้งหนาทั้งซีดไม่ว่าจะเกิดดูในภพปืนใดก็ต้องทบกับความทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในพรมกามแห่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนปัญยาที่จะ สร้างบารมีสร้างคุณงามความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของป้าหลวงสาวกทั้งหลายด้วยการกระทำคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิจเจริญภาวนาสิ่งต่างๆนี้จะเป็นหนทางลำดับไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่ความสุขที่แท้จริงชีวิตของมนุษยเทียมนั้นที่ท่ น, ท น, นททเกิดขึ้นมาเมื่อท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เกิดมา เกิดมาดีแม้ท่านร่างกายจะต่างสล้วท่านก็ไปดีเพราะว่าท่านได้เรียนเรยนวิชิตให้ดีที่สุดอย่ในคารวะนั้นท่านก็เป็นพ่อที่ดีของลูกหรือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม้ท่านผ่านชีวิตของเพศคารวะนะท่านได้เข้ า, ามาบวชในเศพาศผ้าขาวพลาพัฒน์แล้วท่านก็มีมีสายประจาซึ่งในขณะที่ ยังเป็นพระราอยู่นั้นเราก็ได้มีความใกล้ชิดกับท่านพอสมควรเพราะว่าเป็นลูกคนที่สามก็มีความรู้สึกเมื่อย27ปีก็มีความรู้สึกในจิตใจว่าสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ความอึดอัดอะไของพ่อเราเราจะไม่ให้ความทุกข์นี้เกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์เราจะรับความทุกข์ทั้งหลายด้เอง เพราะฉะนั้นในการที่จะกระทำารานก็ตามเราจะคิดถึงไม่ให้เหลวงพ่อนั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจตุยานที่จะกระทำแต่สิ่งที่ดีเมอเราได้เรียนหนังสือเราก็ตั้งป้อหมายว่าถ้าเราเรียนเสร็จแล้วเราจะทำนานเรียนดูตางกทนคุณบุญ ค, คุณของเหลองพ่อแต่แว่าเราเปลี่ยนความคิดถึงคิดว่าจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ในเพศภาคาสตาพักจนตอยชีวิตจึงคิดว่าเมื่อเรามาเบวกแล้วเราไม่รูการตอบแทนบุญคุณทางโลกก็คิดว่าเราจะจอบแารบุญคุณทางธรรมของท่านทางธรรมให้ท่านเราจึงชัดชวนท่านให้เข้ามาเบิกในความพุทธศาสนาซึ่งท่านก็มีนิสัยปัชญาได้เข้ามาเบิกเมปีพศ2531 ปัจจุ mm hmm. บันก mm ็พรรษาพิเภกพันเมื่อท่านเข้าได้เข้ามาบวชเราก็ได้ให้ความเห็นทางธรรมต่อบุญกุลก็คิดว่าเราได้ใช้มีทั้งหมดแล้วแต่ความอื่นทายในใจเรานั้นก็คงไม่อยู่ยังไม่พอเราคิดว่าถ้าเราอยู่ทำเพื่อคาราเราจะตอบแทนบุญคุณทั้งโลกทั้งวัตถุสิ่งของเราจะตอบแทนบุญคุณต่อบิดามาราเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะใช้มีทั้งหมดได้นอก่าง ตอบแทนบุควณทางทางบ้านธรรมะเดี๋ยวให้เห็นทางธรรมให้ความเห็นทางธรรมจึงจะสามารถใช้นีของท่านได้หมดเราก็คิดว่าไม่ให้ความเห็นทางธรรมแต่เหมือนป้าเตี้ยตามควรบุญคุณทั้งหลายที่ท่านมีต่เราเราก็คิดว่าได้ใช้นี่หมดแล้วแต่ว่าภายในใจของเรานั้นก็คิดว่าเป็นแม้ธรรมชาติของความใกล้ชิดความผูกพัน ในปกติแล้วอารมณ์หรือความผูกพันนั้นถ้ามีความรู้สึกการธรรมาชาติการแขง็งแกร่งคิดว่าถ้าท่านอยู่กับเราอีกห้าปีสิบปีก็คงจะดีแต่ความจริงนั้นไม่เป็นเช่นนั้นความจริงคือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในปัจจบันนัรนรเมืม่อท่านถึงการถึงเวลาท่านจะหมดลมหรือสิ้นไปอันนี้แหละคือสัญชาติธรรมความจริงซึ่งมีไปสัตว์ชีวิต เมื่อถึงการถึงเวลาบางคนก็เกิดทุกข์ประเกดทำให้เสียชีวิตบางคนมีโรคภยดดัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เราต้องมีสติาามีปัญญารู้เท่าทรรนณ์จริงว่าสิ่งที่เกิดขึน้นไม่เป็นธรรมนิ่งนั่นล่ะคือความจริงตามธรรมชาติถ้าเร า, ท, า, า, าทุกคนเห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าเราทุกคนเห็นความตายก่อนความตายจะมาถึง จาตใจเรนั а, pues o, game, so so muscle, ้นก็จะไม่กระดึ้งกลัวต่อโลกภัยให้เดีดต่อมาแล้หน้าภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาเป็นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นพยายามขวนขวายในการที่จะกระคุณงามความดีให้ถึงพร้อมคุณงามความดียันใดซึ่งพวกเราทุกคนพึงจะกระทำได้เราก็พยายามที่จะทํำถึงเรื่นสิ่งที่ดีเราทุกคน เมื่อเรารู้ว่าสิ่งห้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามพิจารณาเห็นโทษของการกระทำสิทเสถยาธรรมทั้งหลายทั้งปวงและรักษาสิ่งห้าให้เป็นปกติสิ่งก็สามารถที่ทำให้จิตใจเ่านั้นมีความสงบพิรุณัดมีความเย็นเย็นไม่มีโทษที่เกิดจากการกระทำสิทเสถยธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่หลังที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสไปจากจิตใจเราเราก็ฝึกหาตัวนจิตใจเราด้วยการทำสมาธิต่อมา เพ่อให้มีสติมีปัญญาในการที่พิจารณาละอารมณ์ละสิ่งสประๆจิตใจของเราหรือพิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นความจริงของธรรมชาติมีสติมีปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทําเป็นข้อนไม่เทียง ม, มีความเกิดขึ้นมาและย่อมมีความแตกต่างเรป็นที่สุดถ้าเราพิจารณาอยู่เช่นนี้อยเสนอเสมอจิตใจเรานั้นก็จะเข้าไปเห็นความจริงเมื่อจิตใจเราเห็นความจริง เห็นชัดประจับที่ทจเราจิตใจเรามันก็จะเป็นธรรมขึ้นมาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายผู้่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราได้ถุดท่าทั้งหลายผิดของเราหนั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นแลมพายละบางประจับความเหลืองผิดของเรานั้นของคนเราทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรานั่งจะเป็นตัวตนของเรา ก็เห็นร่างกายของบุคคลเด่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของหนึ่งของธรรตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเราย้อนจิตเทวนัตเสีงจิตนามีสติปัญญาพิจารณาการในกายตนเมื่อเราเห็นร่างกายของเราชัดว่าเป็นของไม่เที่ยงหนึ่งของไม่ใช่โทตนประกอบไปด้วยธาตุบินธาตุน้ำธาตุลมธาตไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความต่างมาตองรู้สึกเมื่อเราเห็นชัดประจักขึ้นที่ใจเราแล้ว ร่างกาย่องบุคคลหนึ่งก็สัจธรรมธาตุธรรมชาติวัตถุธ า, าตทั้งหลายก็สัจธรรมธาตุธรรมชาติเพราะนั้นความโลกก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดประนันนการไม่ยืที่สุดบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาเป็นเลืกละเว้นการกระทําในสิ่งที่ผิดเดจตมทั้งหลายทั้งปวงกระทําต่อคุณงามความดีก็ย่อนมนัความสุดมาให้เกิดจิตใจเรา ท่นานมาปฏิบัติแล้วมาอนาคตโยนเท้าเที่ยวนี้ท่านทําไปแล้วเจอก้อนที่เท้อเมื่อกลางเดินกันยากํายายนที่ผ่านมาเมื่อคำที่ท้องก็มีก้อนเป็นแข็งแข็งเป็นตาเลยได้ปรึกษาทมอพิริศบุนทิศวิศาทีอพิริศก็กระบาระบาดาก็ได้ ให้ความประดุจในการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลชนบารีทุกสิ่งทุกประการจนกระทั่งผลออกมาที่1ตัวลาว่าเป็นมะเร็งขั้นสี่ขั้นสุดท้ายนี่ก็มีอกาสไปตรวจให้มหมอที่ดิงเกสได้มีิมพ์ให้ที่โรงพยาบาลมูล่ากก็บว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหลังปัจจุบันนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วท่านก็กลับมาวันที่4ตุลาก็ ั ม, มัญนะ่ายยาผมเวลานานแล้วก็พอาอาการทา ง, าง้านร่างกายนั้นก็ไม่มีอาการอะไรซึ่งมีเลืนาหรือการจเจ็บปวดอะไรในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ช่วงสุดท้ายที่อ่อนเพลียบ้านแค่นั้นแหละแล้วก็เมื่อวันจันที่ผ่านมานี้ก็ไปเกิดร่างกาย ร, รับยาตามปกติซึ่งปกติไปตรวจ รางกายรับยาที่โรงพยาบาลที่มารีเรื่องเกี่ยวกับเส้นประยุทในสมองตี้นี่หมอบริษัก็ได้ให้เอกเรตต่อนหรือตรวจเลือดเพื่อที่จะดูอาการว่าเลือดมะเร็งนั้นได้ขึ้นมาที่ต่อนหรือเปล่านี่พอตรวจที่โรงพยาบาลเสร็จก็ไปทำตุ้ล่าไปทําพันแล้วก็เตรียมตัวที่จะกล่าวัดรอ ที่สามาประมาณสองทุน้นท่านก็มีาการทอ้องเมื่อถ่านมาเต็มไปแจ้าก็มีการทอร้องบวมขึ้นเมื่อคำท้องดูแลเจ็บท้องนี่นว่าสองทุ้นกว่าขึ้นแล้วพิธีสังก็ติดต่อหมิธีสัท่านก็ได้ ส, าสราเตีาเวลาเข้ามาดูการให้ก็ไม่มาให้เขา้าโรงาบาลจำเร็ก็เข้าเพราะพักที่โรงาบาลจำเร เกิดอะไรเสร็จแล้วก็พักซีนทึ่งขวาก็พักที่โรงพยาบาลตัวนี้ตั้งแต่วันจันพอวันอันคาดก็สุขภาพท่านยอดลดลมก็เลยนั่งเข้าในซีอูก็พักอยู่น้ในซีอูจนถึงเช้าวันสุดรตีสี่ท่านก็บรรลภาพเมลาการในสมองก็ได้รับความดูแลจากคุณบมอพี่ักด์หมอมา คนที่รีบะตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่รังบานและคณะแพทย์และพยาบาลทั้งหลายทุกๆคนก็ช่วยดูแลให้ความสะทุกทุกอย่างอันนี้ก็นัดเวล่าโยมเบลก็ได้ดูแลหรือช่วเหลือทุกสิงทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาที่หลวงพ่อก็สั่งไปด้วยการสงบตามธรรมชาติของต้นขาหันกันทั้งหลายซึ่งเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ยังมีคามแากต่างในนิสิตเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนปรุงพิจารณาเรณานุสติอยู่ทุกๆวันให้มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความจริงให้เห็นตายก่อนตายให้เห็นตายก่อนตายใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นหรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะความยุติธรรมดี